เรียนรู้เรื่องจิตเพื่อปล่อยวางสิ่งที่เรียกว่าจิตหรือเจตสิกคือคุณสมบัติของจิตนี้พระศาสดามิใช่ให้เรียนเพื่อให้ติดท่านให้รู้ว่าจิตหรือเจตสิกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นมีแต่ท่านให้ปล่อยให้วางมันเมื่อเกิดมาก็รับรู้ไว้รับทราบไว้ตัวจิตนี่เอง มันถูกอบรมมาแล้วถูกให้พลิกออกจากตัวนี้เกิดเป็นสังขารปรุงไปมันก็เลยมาปรุงแต่งเรื่อยไปทั้งดีทั้งชั่วทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดเป็นไปสิ่งทั้งหลายเหล่านี้พระศาสดาให้ละแต่ต้องเรียนรู้อย่างนี้ซะก่อนจึงจะละได้ตัวนี้เป็นตัวธรรมชาติอยู่อย่างนี้จิตก็เป็นอย่างนี้เจตสิกก็เป็นอย่างนี้ อย่างมักปัญญาอันเห็นชอบเห็นชอบแล้วก็ดำริชอบเจราจาชอบทำการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบเหล่านี้เป็นเรื่องของเจตสิกทั้งนั้นออกจากผู้รู้นั่นเองเหมือนกับตะเกียงเป็นตัวผู้รู้ถ้ารู้ชอบดำรีชอบอย่างอื่นก็ชอบไปด้วยเหมือนกับแสงสว่างของตะเกียงมันจะเป็นอย่างไรก็ช่างมัน มันเกิดจากผู้รู้อันนี้ถ้าจิตนี้ไม่มีผู้รู้ก็ไม่มีเช่นกันมันคืออาการของพวกนี้ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้รวมแล้วเป็นนามดท่านว่าจิตนี้ก็ชื่อว่าจิตมีใช่สัตว์มีใช่บุคคลมีใช่ตัวไม่ใช่ตนมีใช่เราไม่ใช่เขา ธรรมคือธรรมะนี้ก็สักว่าธรรมะมีใจตัวตนเราเขาไม่เป็นอะไรท่านให้เอาที่ไหนเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นขันห้าท่านให้วาง